มันอยู่ที่นี่ถูกไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำหนับและถอดถอนเจเลยก็ได้โดยลำหนับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภัยนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ปลูกมาตัวเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาในขณะที่งงาวลลบปัญญาไม่รู้เรื่องเวลาเวลาถอดถอนดี๋ยววาย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 โล่งไปหมดเกิดความวัชจัน์ขึ้นมาอย่างพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาเชนนั้นเราก็ไม่เคยเป็ดนั้นก็เป็นขึ้นมาอย่างชัดเจนอะอยู่นั่นใชะคืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใ ด, ดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆถึพอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองแบบความปรุงแถ่ที่มันไม่มีความปรุงไม่มี คือเหลือแต่ความรู้ที่สักเทวารู้และเป็นของอัจารยร์อยู่ในความที่สักเทวารู้นั้นคือมันเบิมวางไปหมดเลยโลกาธาตุนี้่ต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีมแต่ว่ามันเป็นอากาศทั้งหมดผู้นั้นมันก็ไม่สำคัญว่าเป็นอากาศอื่นเหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้เท่านี้โอเป็นข้ามองข้มงอยู่ไหน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 เป็นมงคลอัคสูงสุดนะอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่าใิ้บาลาษษษาสิทธสัจฉิอิเอันนี้เป็นสูงสุดเพราะฉะนั้นกัพุทธศัจโลกทรรมนิหิตจิตันญสากรรมปติอโซกังเล ย, เยังเทมังเอตมังขนุตตะมังฮะจิตนี้อะไรมาสัมหาสก็ตามว่ามีความผ่นท่านขืนเหมือนขืนท้งหลายอะไรแล้วมันก็แตะต้องมันได้มาเข้ามาได้เข้มามันหสุ